บทภาชนีติกะนิสกิยาปาจิตตีเจ็ร้อยหของอย่างอื่นภิกษุณีสำคัญว่าเป็นของอย่างอื่นสั่งให้ซื้อของอย่างอื่นต้องอาบัตินิสกิยาปาจิตตีของอย่างอื่นภิกษุณีไม่แน่ใจสั่งให้ซื้อของอย่างอื่นต้องอาบัตินิสกิยาปาจิตตีของอย่างอื่นภิกษุณีสำคัญว่าไม่ใช่ของอย่างอื่นสั่งให้ซื้อของอย่างอื่นต้องอบัตินิสกิยปาจิตตีทุกทุกทุกด ไม่ใช่ของอย่างอื่นพิกสุนีสำคัญว่าเป็นของอย่างอื่นสั่งให้ซื้อของที่ไม่ใช่อย่างอื่นต้องอาบัติทุกกฎไม่ใช่ของอย่างอื่นพิกสุนีไม่แน่ใจสั่งให้ซื้อของที่ไม่ใช่อย่างอื่นต้องอาบัติทุกกฎไม่ใช่ของอย่างอื่นพิกสุนีสำคัญว่าไม่ใช่ของอย่างอื่นไม่ต้องอาบัติ